มันทำยังไงที่เราจะดับไ อ, ไอระเบิดเวลาอันนี้ได้ไม่ให้มันมันระเบิดต่อไปอ่ะนะแต่ว่าไอร่างกายอันนี้ไม่มีใครรอกที่จะไม่ไม่ให้มันระเบิดอ่ะนะไม่ให้มันเสียหายเนี่ยเพราะผลผลของสังขารธรรมทั้งหลายอ่ะนะสังขารทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่แตกทำลายอ่ะไม่มีรอกเนี่ยนะขันห้าที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ไม่เสียหายไม่มีรอกเนี่ยนะนะ สิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นขันทั้งหมดเหล่านั้นต้องแตกทำลายเป็นธรรมดาขันห้าที่เกิดมาแตกทำลายแน่นอนทีนี้ทำยังไงที่จะไม่สร้างขันอันใหม่เนี่ยนะถ้าจะกล่าวให้ตรงๆนะคือทำยังไงที่จะไม่สร้างขันห้าอันใหม่ซึ่งขันห้าอันใหม่นี่แหละที่ที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นกเนี่ยน ะ, นนะะคือ แต่การทำลายต้นเหตุเนี่ยนะว่าสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้มันทำลายได้ชั้นแรกก่อนถ้าหากว่าทำลายไม่ได้นะสมมุติถ้าเราทำลายต้นเหตุแข่งขันห้าไม่ได้อะไรเกิดขึ้นให้นึกเธอว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดสิ่งที่เราได้ยินทั้งหมดน่ะคือสิ่งที่เราจักเป็นข้างหน้าทั้งหมดเดี๋ยนะอะไรก็ตามเรื่องที่มันเลวร้ายเรื่องมันชั่วเรื่องมันอะไรก็ช่างอ่ะที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เรารับรู้อ่ะ คือสิ่งที่เราจะเป็นข้างหน้าเห็นไหมเพราะอะไรเพราะต้นเหตุเพื่อที่จะให้ไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมดเลยเช่นถ้าเห็นคนพิการนะทำใจไว้เลยว่าถ้าเรายังตัดเหตุแห่งการเกิดอย่างนั้นไม่ได้การเป็นคนพิการอย่างนั้นก็ไม่พ้นเห็นไหมหรือถ้าลงไปลึกอีกลนะ่ะเห็นเดรัจฉานทั้งหลายอยากคิดว่าเราพ้นจากสภาพแบบนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะเชื้อแห่งการเกิดนะ ที่นั้นนั้นยังมีอยู่เ น, นี่ยถ้าจำไม่<า>ักเรคนนี้ เเพราะว่าพระท่านม า, เ, าเป็นรองเจ้าวาดัดวัดไทยพุทธคยารองหรือผู้ช่วยนี่แหละแถวนี่แลละ ผมไปรับ เป็นพระที่ไปพบกับท่านที่อินเดียครั้งที่แล้วนะซึ่งอาจารย์สำรวยเนี่ยในนิมนต์ท่านให้เป็นผู้ให้ความรู้ตอนที่ไปอินเดียนั่นะนะก็วันนี้ก็ท่านก็มามาเยี่ยมด้วยแล้วก็มารักษาสุขภาพด้วยนั่นะนะจารย์ละมณพจําได้นะนั่นะนะจารย์สุธานจําได้นะจาหลวงพ่อได้ ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่ท่านได้มาเยี่ยมด้วยเวลาที่เรากำลังกำลังเรียนกำลังศึกษาพระธรรมพอดีเลยพระอาจารย์อยากมีอะไรกล่าวกับโยมบ้างนิดนอะ่งถ้าผมว่าผมก็เอาพระสูตรเลยครับผมว่าไปยาวละ ี๋ยวยังไงค่อยทักทายกับท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราฟังธรรมจบเนาะเกิดในสังยุตติกายขันธวรวักตอนนะเล่มยี่สิบเจ็ดนะหน้าเก้าสิบหกข้อเก้าสิบสี่เหมือนกันข้อกันหน้าเนี่ยใกล้ๆกัน ชื่อสูตรว่าสามโุปัสนาสูตรเนี่ยนะคำว่าสูดสมโุปัสนาเนี่ยโดยศับแปลว่าการตามเห็นเนี่ยนะแต่ความหมายมีสองความหมายสามโุปัสนาด้วยทิฏฐิอย่างหนึ่งกับสมโุปัสนาด้วยปัญญาเนยอย่างหนึ่งเนี่ยนะคือการ สมุปัสนาแปลว่าการตามเห็นคือการตามเห็นด้วยอำนาจของทิฏฐิอย่างหนึ่งตามเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยอย่างหนึ่งเป็อนอย่างในสมนุปัสนาสูตรก็ขึ้นต้นด้วยทิฏฐิสมุปัสนาคือการตามเห็นแบบทิฏฐิในข้อกา94กล่าวว่าด้กยควาิสูจน์ทั้งหลาย สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อพิจารณาเนี่ยนะย่อมพิจารณาเห็นอัตตาเป็นหลายวิธีนะคือถ้าจะพิจารณานะด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยจะพิจารณาเห็นอัตตานี่ก็เห็นหลายวิธีด้วยกันสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมพิจารณาเห็นอุปาทานขันห้าหรือแต่ละอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือการเห็นขันหของของแต่ละคนโดยความเป็นอัตตาเนี่ย บางคนเด้เห็นขันหทั้งหมดเป็นอัตตาบางพวกก็ถือขันอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นอัตตาหรือหลายๆขันว่าเป็นอัตตาอย่างบางพวกถือรูปโดยความเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณว่าเป็นอัตตาบางพวกเนี่ยถือทั้งรูปทั้งเวทนานี่ว่าเป็นอัตตาอย่าง้นะก็สลับคล้าเลกันไปเรียกว่าสกายทิียี่โดยที่มีขันเนี่ยเป็นวัตถุที่ตั้งแห่ง ทิฏฐิันั้นการตามเห็นขันห้าด้วยอำนาจของทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิสมนุปัสสนาเนี่ยนะทีนี้ไนอะตัวขันหานะที่ที่เป็นวัตถุที่รองรับของทิฏฐิกล่าวว่าอุปาทานขันหาเป็นไนดูก่อนพิสูจทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระริยเจ้าทั้งหลายนะก็ความก็ละซ้ากัน คือคนที่ตามเห็นขันห้าเช่นเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตาเนี่ยมีรูปเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาเนี่ยในรูปนนเวทนาสัญญาสังขารบิญยาณก็ในเดียวกันนั้นเพราะฉันก็การตามเห็นด้วยประการดังนี้แหละเนี่ยนะอันนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าทิฏฐิสมนุปัสนาเนี่ยนะคือตามเห็นขันห้าโดยความเป็นอัตตาบ้างอันนั้น อัตตาเนี่ยอยู่ในขันห้าบ้างนั่นแหละแต่ถ้าผพ้การจําสุนทริกสูตรได้ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เห็นตนโดยความเป็นตนใช่ไหนะพระตถาคตไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนคำว่าไม่พิจารณาเห็นตนตนในที่นี้คืออัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนขอไปตนตัวแรกนะไม่พิจารณาเห็นขันห้าโดยความเป็น ตาอ่า น, นะตนคำแรกหมายถึงขันห้าตนคําหลังหมายถึงทิฐิเห็นนะคือไม่ได้ไม่ได้ไปสําคัญในขันห้าด้วยอนุภาพของทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเอาแล้วเห็นอะไรก็เห็นขันห้าเป็นขันหนะ้าอ่านั้นการตามเห็นด้วยประการดังนี้แลเป็นอันผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นว่าเราเนี่ยเป็นเนี่ยนะคือยึดมั่นในขันห้าว่าเราเนี่ยเป็น เราเป็นว่ายังไงม้างอัสมิเนี่ยนะพูดแบบไทยๆเราก็บอกว่าเนี่ยเราอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นเราอย่างนั้นเถอะเป็นเรานี่ศัพท์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นเราด้วยอำนาจตันหาก็ได้เพราะคำว่าเราเป็นหรือเป็นเราเนี่ยนะอันเดียวกันหมายถึงมานะก็ได้หมายถึงทิฐิก็ได้ที่ที่เข้าไปสําคัญในในขันห้าอันนี้เนี่ยนะเมื่อผู้นั้นยึดมั่นว่าเราเป็นในการนั้น อินซีห้าคือจากขุนซีโสตินรีคานินทรีย์ฉิวหินซีกาญซียย่อมหยางลงหมายคราบว่าพอยึดถือขันห้าด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิแล้วเนี่ยนะผลของการยึดถื อ, อ น, นั้นทําอะไรให้เกิดขึ้นอินรีห้าก็เกิดขึ้นนะพูดสรุปเลยนะว่า ha, อินรียห้ายางลงเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายมานะมีอยู่ธรรมะทั้งหลายมีอยู่อวิชช า, าธาตุมีอยู่ ดูกรพิสูนทั้งหลายเมื่อปุตชชนผู้ไม่ได้สลับแล้วอันความเสวยอารมณ์ซึ่งเกิดจากอาวิชชาสัมผัสนั้นถูกต้องแล้วย่อมมีความยึดมั่นว่าเราเป็นดังนี้บ้างอันนี้ก็สำคัญไอ้ขันที่มันเกิดอีกนะด้วยอำนาจของตันหามานาทิฐิเราเป็นอย่างนี้บ้างดังนี้ คือสำคัญว่าขันท่าเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นะเราสูงดำตำเขาเขียวเหลืองหรือว่าเวทนาสุขทุกข์ยังไองอย่างนึงก็ถือยึดขึ้นมาเสร็จแล้วคิดต่อไปอีกว่าเราจักเป็นบ้างเนี่ยนะหรือว่าเราจักไม่เป็นอนะถ้าเราจักเป็นเนี่ยเป็นยังไงกลุ่มทิฏฐิต่อไปคือกลุ่มสัสตตทิฏฐิถ้าเราจักไม่เป็นเป็นอุเฉททิฏฐิทีนี้ถ้าเราเป็นเนี่ยจะเป็นสัตมีรูป หรือว่าสัตว์ไม่มีรูปน่นหนะหรือว่าสัตว์มีสัญญาหรือว่าสัตว์ไม่มีสัญญาสัตว์มีสัญญาหาไม่ได้หรือมีสัญญาหาไม่ได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อินทรีย์ห้านั้นย่อมตั้งอยู่เพราะการตามเห็นนั้นทีเดียวเนี่ย น, นะไอเพราะไอทิฏฐิสมนุ ป, ปัสสนา น, นั่นแหละอินทรีย์ห้าจึงเกิดขึ้นนะตาหูจมูกเล่นกายจึงเกิดขึ้น สูตรนี้ขึ้นด้วยทิฏฐิสมนุปัสนาเนี่ยเน้นตัวทิฏฐินะแต่ว่าโดยสูตรนี้ชื่อว่าสมนุปัสนาสูตรแต่หมายถึงทิฏฐิสมนุปัสนาทิฏฐิสมนุปปสนาเนี่ยก็คืออะไรคือส ก, กายะ ทิฐิยีสเนี่ยนะสกายะทิฏฐิยีิเนี่ยยึดที่ไหนยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยนะยึดถือเอ่อสกายะทิฏฐิเหล่านี้ถ้ายึดถือรูปอ่ะเช่นเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยมีรูป รูปในอัตตาอัตตาในรูปเนี่ยนะหรือเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณก็ในยะเดียวกันก็เป็นทิฏฐิสกายาทิฏฐิย0สบเนี่ยนะทีนี้พอตามเห็นแบบนี้เนี่ยนะก็สำคัญว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะเราเป็นว่าโดยรวมๆนะเราเป็นเป็นอะไรก็เป็นเนี่ยในในขัน5้าอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจของตันหาบั้ง มานะบ้างทิฐิบ้างพอสำคัญว่าเราเป็นด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอ่าอินซีห้าก็อย่างลงไงอินซีห้าคือจักโขเนี่ยนะจักขุนซี โสตินซีคานินซีชิวหินซีแล้วก็กายินซีทีนี้พออินซีห้าเหล่านี้เกิดขึ้นมโนเ ม, มียมีอยู่เนี่ยนะธัมมะมีอยู่แล้วอะไรอวิชชาธาต์ คำว่ามโนโตัวนี้เนี่ยหมายถึงกรรมวิญญาณนั่นแหละธรรมะอันนี้หมายถึงอารัมมณะปัจจัยของกรรมวิญญาณอาวิชชาธาตุคือทรรมที่สัมปยุตกับมโนโวิญญาณ น, นั่นเพราะนัน้าอาวิชชาเกิดขึ้นแล้วอันนี้สงของเขานะถ้าตามหลักอะไรเกิดถ้ า, าวิชาเกิด สังขารเกิดนะถ้าสังขารเกิดผลต่อไปน ะ, ะในระหว่างเนี่ยเขาจะเกิดทิฏฐิขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเกิดความคิดขึ้นทิฏฐิเนี่ยคือคือแนวความคิดทิฏฐิเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนะเราเป็นหรือเราจักเป็นเนี่ยนะหรือว่าจักไม่เป็น เอไงดีจังกสุดาจักเป็นหรือไม่เป็นดี <c oughs> อ๋อยังยังไม่ทาคิดเลยเมั้งั น, นหของใครดี <c oughs> ของนภาจักเป็นหรือไม่เป็น <c oughs> นไน <c oughs> คือคือไอความคิดอันนี้มันเกิดอยู่บนพื้นฐานของ ทิฏฐิทิฏฐิที่อะไรที่สําคัญขันห่าว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะด้วยอํานาจทิฏฐิเข้าใจผิดตั้งกระแรกแล้วถ้าเข้าใจผิดพออยู่บนพื้นฐานของทิฏฐินะพอคิดถึงโลกหน้าขึ้นเนี่จักเป็นหรือถ้าคิดว่าเราจักเป็นโดยมากเป็นสัตตะก็บอกเราจักไม่เป็นคือมันมันจบเลยอันนี้เป็นอุดเฉดทีนี้กลุ่มจักเป็นก็แบ่งไปอีกว่า มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเป็นแบบมีรูปหรือว่าไม่มีรูปอันนี้นี่พูดโดยรูปเอารูปมาเป็นตัวตั้งหรือว่าเราจากเป็นแบบมีสัญญาหรือว่าไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญาเนะเราเป็นสัตว์มีรูปอันนี้หมายถึงไหนปัญจโวโการภูม นะปัญจโวกับเอกโวการภพเนี่ยนะเราหรือว่าไม่มีรูปอันนี้ก็เป็นจตุโวการภพเป็นสัตว์มีสัญญาอันนี้ปัญจโวการภพเนี่ยนะหรือว่าไม่มีสัญญาอันนี้เอกโวการภพเนวะสัญญาก็เป็นเนวะสัญญาตรงตัวเนี่ยนะก็เริ่มมาคิดต่อไปว่าเราจะา ว่ากว่ากว้างๆก่อนเราจากเป็นหรือจกไม่เป็นถ้าพวกไม่เป็นนั่นตายแล้วสูนใช่ไหมคือในความคิดอันนี้บอกว่าตายแล้วจบเลยมีกระดูกเป็นเท่าฐานเป็นที่สุด อ, นะอันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเราจะเป็นแต่ว่าไม่ได้ละคลายทิฏฐิอะไรเลยไม่ได้เคยแยกแยกอะไรเลยมิจฉาทิฏฐิมาตลอดแต่ว่าเราจะเป็นอันนี้กลุ่มเนี่ยสัตตทิฏฐิ พาศาสตาทิฏิก็มาแยกประเภทโดยยกรูปกับยกสัญญาขึ้นมาเนี่ยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าทิฏฐิสมนุปัสสน า, านะการตามเห็นตลอดสายนี่แหละเรียกว่าทิฏฐิสมนุปัสสนาพผนขันห้ า, านะวันเสาร์ที่แล้วเราเคยพูดถึงว่าเหตุหรือฐานะเนี่ยนะสับว่าฐานะหรือเหตุนี่อันเดียวกันเหตุของขันห้า จะขอไปเหตุของทิฐิมีแปดเหตุของทิฐิมี8ดเช่นขันห้าก็เป็นเหตุของทิฐิผัสสะก็เป็นเหตุของทิฐิเนี่ยนะวิตกสัญญาพวกนี้เป็นเหตุแห่งทิฐิอโยนิโสปาปมิตรปะโตโคสะพวกนั้นก็เป็นเหตุของทิฐิแต่ทีนี้ในสูตรนี้ยกขันห้าที่เป็นเหตุแห่งทิฐิ ทีนี้ตั้งคำถามตัวที่สำคัญที่สุดที่เอามาพิจารณาเป็นตัวหลักเลยคืออะไรคืออวิชชาธาตุเนี่ยนะเพราะตัวหลักๆจริงๆแล้วนะทั้งหมดเนี่ยโครงสร้างเนี่ยอยู่ที่อวิชชาธาตุขันห้าเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้าเราย่นย่อมาแล้วก็คือเหลืออะไรตาหูจมูกลิน้นกาย ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่ตั้งแห่งมโนเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งมโนทีนี้อวิชามันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าอจากักขู่ก็ต้องเห็นพอเห็นแล้วอวิชามันเกิดยังไงพอได้ยินแล้วทําไมจึงมีอวิชาพอรู้กลิ่นทำไมจึงมีอวิชาพอรู้รสทาไมจึงมีอวิชาพอรับกระทบโวธทพะทางกายเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับหายใจไม่คล่องอ่ะทําไมมันจึงเกิดอวิชา แล้วถ้าวิชามันเป็นยังไงอ่า น, นะ ก, ก็แยกมาสองคำานี่ยมาให้มันฝ่ายขาวว่าวิชาเป็นยังไงเนีย่ยนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะาวิชาเนี่ยคือความรู้แจ้งในจากสุจกุในฐานะเป็นสัจจะอะไร่ น, นะทุกขสัจจะเพราะฉะนั้นทุกขสัจจะเหล่านี้มีเนี่ย พวกนี้เป็นเหตุเกิดใช่ไหมถ้ากลาแบบสังสารวัตก็ไล่นะก็ไล่อย่างเนี้ไปเรื่อยเห็นไหมพวกนี้คือทุกสมุทัยคือทิฐิหรือว่าตันหามานะอะไรทั้งหลายแหละถือว่าเป็นเหตุของอินทรี่หา้าตัวตันหาตรงๆเป็นสมุทัยสัตว์ที่เหลือเป็นสมุทัยแต่ก็ถือว่ากลุ่มเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์สัตว์เหล่านี้เห็นไหม ถ้ากำจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดอันนั้นเป็นนิโรศัตร์ด้วยข้อปฏิบัติคือวิ ช, ชาอันนี้นคือวิ ช, ชาที่เข้าไปเห็นโทษของขันหาตัดฉันทราคะในขันหาด้วยข้อปฏิบัติอันนี้เรียกว่าวิ ช, ชาเนเรียกว่าวิ ช, ชาทีนี้ผู้ที่ไม่มีวิ ช, ชาอย่างนี้แหละเรียกว่าอาวิ ช, ชา นนะผู้ที่ไม่มีวิชาอย่างที่กล่าวไปเรียกว่าอาวิชาหรือครั้งที่แล้วนะนึกถึงคุณวิลาวันเขาว่าไงนะไปเจริญจักขุจักขุสมุทยัยจักขุนิโรธจักขุนิโรทข า, า ม, มินีปฏิปทาให้มันเป็นยังไงเขาว่าไงคิดไปแล้วคิดไม่ตกเลยนะเอ้จักขุได้แล้วไอ้จักขุสมุทยัยมันเป็นยังไงจักขุนิโรธเป็นยังไงจักขุนิโรทขามมินีเป็นยังไงนั่นนะก็ไอ้ความไม่รู้อันนั้นแหละเรียกว่า อวิชายกแกมานะเดี๋ยวจะแบ่งบุญให้แกครึ่งหนึ่งแล้วตอนอยูที่สวนกุศลนะอนุโมทนาเนะื้งทั้นก็คือไม่รู้อริยสัจในตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นเป็นอวิชชาพออวิชชาเกิดกรร ม, มวิญญาณนี่ก็อนะกรร ม, มวิญญาณก็คืออะไรก็คือสังขารพอสังขารเนี่ยถือว่าเป็นเหตุของ ของปฏิสนธิวิญญาณแต่ไอตัวทิฐิเนี่ยมันเดาขึ้นมาก่อนว่าตัวทิฏฐินักคาดขึ้นมาเลยว่าเออเราจากเป็นหรือเราจากไม่เป็นเออถ้าเราเป็นจะเป็นแบบไหนเป็นมีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญานาสัญญาจะเอาอยัางไงกันแน่นะก็เริ่มคิดอย่างเงี้ยพอคิดแบบนี้ก็บางคนก็หันไปวิจิกิจฉาบางคนก็ดิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยอันนี้คือวิสัยของปุตุชนในวัตตะเป็น เป็นอย่างนี้เนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาทอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะนย ค, ครับ ท, ท, ท, าา ท, ท, ที่เป็นรมนการนวาเป็นธรรมเป็นธรรมในตัวนั้นเป็นจิติเออธรรมตัวนั้นก็คืออารมณ์ของมโนวิญญาณทั้งหมดเลย<ะ>ครับธรรมะในภูมิสามที่เป็นอารมณ์ของมโนวิญญาณหมดเลย ทีนี้ถ้าอริยสาวกนะท่านบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมละอวิชชาเสียได้วิช่าย่อมเกิดขึ้นนะละอวิชชาวิชาเกิดขึ้นถ้าโดยสรุปนะการการที่จะพิจารณาให้เห็นเป็นวิชามันมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันที่จะให้เกิดวิชาตัวทุกข์คืออะไร ขันห้านั่นแหละคือตัวทุกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขัณฐาทุกข่าว่าโดยย่อขันหาขันห้าคือตัวทุกเนี่ยนะตัวกิเลสทั้งหลายแหลโดยเฉพาะตันหาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกขอันนั้นเป็นสมุทัยสัจจะเนี่ยนะถ้ากําจัดฉันทราฆะในขันห้าเนี่ยนะ คือหมายว่าเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเบือเ่อหน่ายและคลายกําหนัดแทงตลอดธรรมะที่กําจัดฉันทราคะในขันห้าอันนั้นเป็นนิโรธสัตว์ด้วยข้อปฏิบัติอันนั้นเรียกว่ามักเนี่ยนะพราะฉะนั้นประมวลโดยอริยสัตว์ตรงนี้ก็เรียกว่าวิชาเกิดขึ้นได้ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือเนี่ยมองเห็นพิจารณาอินทรีห้าให้เห็นเป็นอริยสัตว์เนี่ย น, นะว่าอิะนทรีอ่ะเช่นจกักภู จักรุสมุทยัยถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเป็นจักรุูนิโรดเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติอันนั้นเรียกว่าจักขุูนิโรธ่าขามินีปฏิปทาถ้าแทงตลอดอันนั้นก็เป็นวิชาเพราะฉะนั้นพระอริยะสาวกเนี่ยผู้ได้สะดับแล้วเนี่ยนะคือคำว่าได้สะดับนะเห็นเห็นบ่อยๆว่าคนอื่นก็ฟังเหมือนกันแต่ทําไมไม่เรียกว่าสาวก ทำไมผู้ที่เรียกว่าเป็นสาวกหมายถึงผ้าอรารยนะแปดอ่ะนะคือคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นะับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสองสาวกของพระพุทธเจ้าเอาของเราเนี่ยก็ฟังอยู่อย่างนี้จัดอยู่ในสาวกไหมก็บอกว่าก็ยังเพราะเราไม่ได้ทํากิจอ่ะ น, นะคนที่เป็นสาวกต้องทาต้องทากิจนี่นะกิจคืออะไรกิจคือปริญญาในทุกเนี่ยนะ คือโดยขันห้าก็ได้โดยอินรีก็ได้เนี่ยนะทำปริญญาและก็กำจัดฉันทราคะในขันห้าด้วยข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนผู้นั้นจึงเรียกว่าเป็นสาวกสาวกผู้ที่ทำกิจอันนี้เสร็จเนี่ยนะวิชาของท่านก็ก็เกิดขึ้นพอวิชาเกิดขึ้นก็ละวิชาเนี่ยนะพระอริยาสาวกก็ย่อมไม่ยึดถืออินรีเหล่านั้นว่าเราเป็นเนี่ยนะ คือท่านก็ไม่เข้าไปยึดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ยึดต่อไปด้วยว่าเราจกเป็นเราจกไม่เป็นเป็นต้นจักไม่มีต่อไปถามว่าเพราะอะไรเพราะท่านกาจัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้แล้วกิเลสที่เป็นเหตุให้คิดหรือปรารถนาขันห้าต่อไปในอนาคตไม่มีสำหรับท่านเจนนะากลังทากิจอยู่นี่เป็นสาวกไหมครับไนะกำลังทำกิจนี้อยู่จะเป็นสาวกไหมครับ โดยทั่วๆไปใช้คำว่าพุทธมามะกะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของเราเพราะคำว่าสาวกจริงๆอ่ะต้องปิดอบาได้แล้วคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษท่านล็อกแล้วในของ้ักทุ้การเป็นก็อนุมโมทนาด้วยยวจะเอาน้ำปนานะไปแบ่งให้ ก็เป็นนาบุญของโลกก็สูตรนี้ก็จบทา่นี่นะทำไมถึงแต่แต่ละสูตรท่นจริงดูวัตถุประสงค์ก็ก็ก็ก็ก็ไปจุดประสงค์อันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแต่ละสูตรนี่ทำไมบางอย่างดูยากยากฟังแล้วทำไมยากเหลือเกินบางอย่างนะฮะ ว่าจะจะรู้ไปสู่ชาติเนี่ยนะฮะอย่างนี้นี่ก็นําไปสู่ชาติตูไหมครับโอ้ดูนี่สลับซับซ้อนมากเลยนะฮะพูดพูดเนี่ยนะคือกลุ่มทิฏฐิเป็นแบบนี้เนี่ยนะกลุ่มทิฏฐิจริตเนี่ยจะคิดอะไรแบบค่อนข้างซับซ้อนมากเนี่ยนะพวกนี้แก้เพราะตามสูตรนี้ก็บอกแล้วว่าแก้พวกทิฏฐิสมนุ ป, ปัสนาเนี่ยนะพวกนี้มันจะคิดอะไรมากมายกว้างขวางมากเนี่ยนะ สัมนวนว่าแก้แก้พวกกลุ่มเจ้าลัทธิทั้งหลายและเลยเนี่ยนะคล้ายๆเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันนะพวกนี้คือพวกนี้นะในแง่ของในชั้นโลกิยะเนี่ยจะว่าเขาจบเขาก็จบเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยคือใครอาราละดาบทอุธกะดาบท